จเจริญพรทันาสาธุชนทั้งไลายวันนี้เนื่องจากในการทอดกระทิ่นได้นำกระทิ่นมาจากนาครหลวงแล้วก็มีเอกภูการสักธารีชัย เป็นประธานมีคมสมาคมวิทยุศูนย์หนึ่งเป็นผู้นําแล้วก็มีชาวบ้านมุงไหวทุกตัคนเป็นผู้ปบวชทำทุกปีที่พบมาก็เข้าใจว่าใครเป็นผู้ปบวชทำทุกปีทั้งวัดประคมเดี๋ยวไดีัดมุงไหวเพราะทังวัดต่างๆหลายวัด ก็นับว่าพวกญาติโยมทั้งหลายนี้ตั้งอกตั้งใจในทำบุญสุนทานอย่างพอใจกันทุกคนจากเมื่อนอนตามป่าตามดงทุกยากลำบากก็มีลัวภัยอันตรายต่างๆก็อันนี้อันหนึ่งเป็นเหตุที่จะให้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 อาตมานีนะก็ไม่นึกว่าจะได้มามาปรยโ่ยมไร้าวแล้วก็จะกลับไปวัดประปงเพราะว่าญาติโยมทุกคนควรรู้ว่าปีนี้สุขภาพไม่ไปดีไม่ค่อยสบายมันจะเป็นสังขารก็จริงแต่ว่าเรายังอาศัยมันอยู่นะ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 เพราะว่าระบบกษัตริยเส่นี่นะมันเป็นเหตุอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้กลาวว่าต พ, พรบาะน้อยแต่มากอยู่แต่ว่าเป็นพระที่หวใหม่ที่มาจำนานในการงานจาเป็นอาตมา ก, ก็ต้อบอยู่ทาหน้าที่ ทำธุระนาทีอันนี้พอสมควรแล้วก็พูดการพูดธรรมะวันนี้โดยมากจะพยายามเอาพรักประหลัดซึ่งในอบรมจุนี่หลายปีแล้วจะพูดธรรมะแก่ญาติโยม เป็นส่วนมากมีท่านปปปกโรเป็นประธานแลขาธิกหลายองค์ปัจจุบันนี้มีปปปการุเป็นประธานในวัดนี้ซุเมโทท่านอัตมาเรตเจ็บโดยที่หลวงปู่เมรุนอนหลายองค์ ซีอให้การทำธุระหน้าที่อยู่เมืองนอกเพื่อเรื่องสันระชาชนทหลายคุณระหุคุณอาทิราทงหลา ย, าาาลายในคุณ ด, ดอนนั้นเข้ามาสู่ไทยโครงเป็นต้นว่าจะมาเป็นการภุ้พระราชนักบวชจะต้องมาอยู่นั่นก่อนถ้าให้ทุิโตฝึก ขึ้นแจะวันประชาก็รบรประชาเป็นสมณนนีจะต้องส่งไปให้ครอภ์เจร์รสราสศีรษซึ่งเป็นพระเถรรัตนในสมณา น, นในปัจจุบันนี้เพียงเป็นสมณเท่านั้นนอกนั้นก็ให้ส่งมาวัดประโภคมาวัดนานาชาตินี้เพื่ออุปโบ่มดีไซน์ต่อไปแต่แล้วก็ท่านสุเมธโทษท่านพระครรภ ปัจจุบมา ก, มากทุกภูมก็นึกว่าท่านทั้งหลายนั้นใครคารมก่งอยู่ในไทยเราเมื่อไปถึงเมืองนอกก็คารกอุปถ ร, รมภ์บรรดาบอย่างดีเหลือพระภากรูที่อยู่นี้พระพากรูนี่ก็เก่งเหมือนกันนะพูดภาษาลาวกเก่งเหมือนกันทุกอย่างไปกันได้ฉะนั้น พวกเราทั้งหลายนั้ น, นถึงแม้่าสนใจในพุทธศาสนานี้ก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ซึ้งอะไรกันมากมายเพราะว่าไม่ได้สนใจจริงนั่นเองอ่าอาจะมาไปสอนกรรมฐานอยู่อนนอกรู้สึกว่าเขาเอาจิงแต่เขาไม่รู้จักบรรพจร้ามรบรรพไม่รู้จัก ในรูปแต่เข้ามาทุกวันไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเราหนึง่งขึ้นค่อยๆชะรอวันพระวันพระไปวันพระทุกวันทุกวันแล้วเรียกว่าสำคัญมากทีเดียวถ้าโยผูคุญิงกูชายทําได้อย่างนั้นทีนี้เมื่อไปถึงกรุมดันดอนเข้านั้นนี่ไปถึงพวกฝรั่งในกรุโลงแล้วยพยายามโกงไม่มีวันพระ แต่มาวัดทุกวันพอมาถึงทุ่มทุ่มก็ไปทุ่มเลยพอทุ่มมาถึงพักเลยทางหลายๆกิโลกมารถนั่งแล้วไม่ไม่ได้อบรมเรื่องนิสสัมมัชฌิตรญาเรื่องนี้ไม่ได้บอบรมอบรมจิตเลยอบรมจิตก็บางคนก็สนใจว่าเรียนถามอจมาบ่อยๆว่าคัาภีรจาร ไม่รู้ภาษาเขาทำไมไปสอนเขาหน้สอนกันง่ายทุกแห่งสนใจกันอย่างนี้อัตมาว่าภาษานั้นอันภาษานั้นพระพุทธองค์กันสอนว่านิรุติภาษาท่านแตกฐานในนิรุติภาษารู้จักภาษาทุกอย่าง เรารู้สึกกันว่าภาษานีเรารู้จักกันแต่ว่าเพียงว่าคำพูดเท่านั้นพูดของหนภาษาขนีน พ, พูดภาษาลาวพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเราเห็นอันนี้เป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาที่สำคัญมากก็ น, นึกว่าต้องได้ภาษาหนีจิกสอนธรรมะได้ แต่ความเป็นจริงนั้นนิรุติภาษานะภาษานั้นที่รึกรับยิ่งกว่านี้มากให้ทำความเข้าใจรึกซึ้งมากภาษานี้อันนี้มันคำพูดเรารเรียนภาษาอังกฤษได้ก็ดีใจกันรเรียนภาษาอะไรได้มากก็ดีใจกันภาษาอันนี้เฉพาะภาษานี้มันเป็นคำพูดนะ มันจะรักคงชั่วอะไรอะไรยังไม่ได้จะรักจีดีอะไรอะไรยังไม่เป็นพูดแต่เพียงรู้ ว, ว่าภาษาเท่านั้นเดี๋ยว่าสุนัข ก, ก็เป็นสุนัขแมวก็เป็นแมวไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็น เ, เป็ดเท่านั้นจะประพฤติปฏิบัติดื้อซึ้งให้มันมีภาษาที่มีทุกทีภาษานั้นไปยิ่งกว่า น, นั้นไม่มีถ้ า, าใช้เลยภาษามากๆก็ยิ่งคอกจีดีขึ้นมามากเหมือนกัน ยิ่ยกหูชูห่างขึ้นมารเราเรยภาษาดีแล้วเป็ต้นพาะสารีประพฤติเจ้ากันว่าในนิรุติภาษาท่านแตกฉานในภาษานั้นภาษาของกายก็มีภาษาของจิตก็มีภาษาของทุกสิ่งสารพัดมันมีภาษาทุกอย่างภาษานั้นหมายความว่าให้ทําความมันั้นให้เข้าใจ เราจะยกมือขึ้นเช่นนี้ก็เป็นภาษาอันหนึ่เราจะพยักหน้านี้ก็เป็นภาษาอันนี้เราจะเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างนั้นทําให้รูปภาษากันทําให้จิตบริสุทธิ์เรียนรูปภาษากันทุกภาษาเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราสอนธรรมะแก่ประชาชนทั้งหลายทุกประเภทนั้น แม้แต่ระดับชั้นต่ำชั้นสูงแม้แต่ระดับสัตว์ที่ละชานท่านก็รู้ภาษามันมีเพราะอะไรนี่มีเพราะอะไร น, นี่ภาษานี้มันจ่รอบตัวของเราทางนั้นเมื่อทําจิตให้เป็นผู้บริสุทธิ์เฉลียวฉราดในด้านจิตแล้วนะ่ะมันก็ทําความเข้าใจให้สัตว์รู้ได้นะทำความเข้าใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ทางนั้นอันนี้เป็นภาษาที่สําคัญมาก แตกแขนในภาษานี้คือทําความเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นนะเมื่อบุคคลเราได้เข้าใจในภาษาทั้งหลายเหล่านี้แจกแจงแล้วะมันสบายใจภาษาจิตนี้เพราะว่าตาก็ดีหูบกดีจมูกโกดีลิ้นโกดีกาย เป็นตัวเมื่อรับอะไรมาแล้วมาทิ้งให้จิตจิตเป็นผู้ทำงานจิตเป็นผู้ที่ทำงานตาหู จ, ม, จมูกรีดกายอายตนะทั้งหลายออกมาก็มาทิ้งให้จิตถ้าจิตไม่รู้ภาษามันก็แย่จิตต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องเป็นผู้ฉเฉียวจะต้องเป็นผู้ฉลาดมากรอบครอบขึ้น จงรักษาอาญตนัตทางหลายได้อันนี้เป็นภาษาที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นภาษาที่เกิดจากการเรียนรู้มันเป็นภาษาที่รู้เกิดจากการปฏิบัติอันบุคคลทางหลายจะเรียนก็ไม่รู้เมื่อมันจะรู้ก็ไม่ได้เรียนจะต้องปฏิบัติ แด้ภาษาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันรวมกันที่ภาษาขอมันยกตัวอย่างง่ายๆน้ำชาทเจลาต้นมันร้อนนี่ร้อนไอ้คาเทียว่าร้อนเนี่ยภาษาไทยเรว่าร้อนภาษ า, า, าภาษาอีสานเรียว่าฮอนภาษาอังกิตเขาว่าฮหรือเขาว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้ภาษานี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่า ต่างคนต่างภาษาพูดไปแต่กับความร้อนอันเดียวกันนั่นเองนะอยากจะปฏิบัติดูว่าภาษานี่มันรวมกันที่ตรงไหนภาษาร้อนมันรวมกันตรงที่เอานิ้วมือไปจุ่มดูเท่านั้นนะให้คนจีนเอานิ้วมือไปจุ่มน้าร้อนไอ้ความร้อนนั่นมันไม่แปลกกันให้ฝรั่งอังกฤษเอามือไปจุ่มลงไปในร้อนไหน้ความร้อนมันไม่แปลกกันแต่มันแปลกแต่ภาษาสักผู้ ไอ้ความร้อนมันเหมือนกันจนนั่นถ้าใครรู้จักความร้อนเนี่ยบอกแรมารู้จักกันหมดทุกคนเลยแม้ตะรอดสัตย์จรรชานมันก็รู้ว่าร้อนแต่ภาษาคำพูดมันก็ไม่รู้มันไปคนในกามันเป็นคนอาทิตย์คนเดท่า น, นี่คือความรู้ทั้งหลายมันไปนรวมปฏิตุมัมนร้อนอาการร้อนเป็นอย่างไรอาการร้อนเป็นอย่างไรนั่น ทุกคนทุกคนจะต้องมีอาการอย่างเดียวกันทั้งนั้นแต่คำพูดที่ว่าวามร้อนนั่นไม่เหมือนกันนี่เป็นภาษานี้ภาษาที่มันร้อนมันรวมกันอยู่นั้นเน่ยมันเหมือนกันทั้งนั้นมิฉะนั้นประชาชนทั้งหลายเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วนะจะอยู่ในคนอาทิตย์จะอยู่ในคนาทางจะอยู่คนมุมโลกอะไรก็ตามเพีเถอะมันเป็นอันเดียวกันเลยคือตัวร้อนนี่ภาษานี้สาคัญ ฉะนั้นเมื่อเราแดกฐานในภาษาทางไายแล้วภาษาธรรมะแล้วถึงแม้พูดขึ้นไม่ได้ก็สบายตานี่มองดูแล้วก็มันเป็นภาษาแล้วนะนะคนโปรโกันตาเป็นยังไงคนชอบใจกันตาเป็นยังไงกิริยาเป็นยังไงมันเป็นภาษาเหมืนกันนั่นน่ะนะไม่ใช่มันเป็นเฉยไม่เป็นภาษานะเนี่ย เมื่อเรารู้จักว่าความร้อนอันนั้นมันรวมที่เดียวกันนั้น น, นคือภาษาเดียวกันเมื่อเราเข้าใจเช็นที่แล้วอืยกถ้วยน้าร้อนมาก็เข้าใจกันแล้วว่าใครๆก็ว่ามันเป็นยังไงว่ามันร้อนเข้าใจไปตะบอกกันแล้วว่ามันร้อนจับไฟขึ้นมาเช่นนี้มันเป็นแสงโคลงนี้ก็ใครก็เข้าใจแรื่ว่ามันร้อน นี่ภาษานี่มันเป็นภาษาที่ถึงจิตอันเดียวันแรกฉะนั้นไม่ต้องสงสัยในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล่วันนี้จะพยายามสอนจิตเพราะว่าการฟังธรรมหลายสิ่งหลายอย่างได้เคยทํามาแล้ววันนี้ตั้งใจฟังให้มีการภาวนาไปด้วยนะาะพ อ, อย่างยิ่งก็คือมีรากฐานเกิดจาก ศินเกิดจากสมาธิเกิดจากปัญญาศินสมาธิปัญญานี้สามประการนี้เป็นรากของพุทธศาสนาหรือเป็นรากของความจริงทั้งหลายเป็นรากของความตรงแ น, น่วแน่ทั้งหลายก็คือศินสมาธิปัญญาศิล น, นี้ก็คือบทอันหนึ่งหลักบทอันหนึ่งสมาธินี้ก็เป็นหลักที่สอง ปัญญานี่ก็เป็นหลักที่สามถ้าเราจะทําให้มันตรงไปตั้งมุดที่ลงไปเอามุดที่สอง ม, มาตั้งเข้าไปเราจะมองดูมุดที่หนึ่งนะหามุดที่สองคือสมาธิแล้วก็เรื่องไปหามุดที่สามคือปัญญาทั้งสามมุดนี้ตรงถูกต้องเห็นจะถูกต้องดี เพราะธรรมะก็ทำความศีลในเราถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องเมื่อความถูกต้องทั้งหลายนี้ในเดีเยบรวงความจริงกข้ามาอยู่ในความถูกต้องไอ้ที่มันตรงไปตรงมานี้ทันจริงเาราพาดฐานคือศีลคือสมาธิปัญญาเพราะมีหมุดสาหมดุดอีแล้วนะมันไม่เผลไปทางไหนหรอกมันตรงท้งนั้นแน่ดูหมุดที่หนึ่งใส่หมุดที่สองดูหมุดที่สองใส่หมุดที่สามสามหมุดแล้ว มันจะตรงฟูเขาประก็พังตรงนั้นนมัตรงตรงนั้นน่ะมันไม่ออกไปที่ไหนหรอกฉะนั้นรากของพุทธศาสนานี้ยหรือรากของความจริงนี่ก็คือมีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่ว่าเราการ์ดมาพูดกันข้างไปข้ามมาบ่อยว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาใครก็พูดครองทั้งนั้นเนี่ยว่าศีลนั้นมันเป็นอะไรว่าสมาธิมันคืออะไรนะ ปัญญามันเป็นอะไรมันเป็นไปพดกันอย่างไรมีอยู่ในใจของเราเหรือไม่นี่สำคัญสำคัญมากหมุดทั้งสามนี้ถ้ามีอยู่ในใจของเราแล้วเราจะตรงไปถึงสัจธรรมเลยจะมีทุกมันก็เป็นสัจธรรมจะมีสุขมันก็เป็นสัจธรรมจะเป็นยังไงยังไงมันก็เป็นสัจธรรมเพราะว่ามันตรงเนี่ยแน่อยู่แล้ว ฉะนั้นราฐานของพุทธศาสนาที่ตรงนี้ประพศติคือสมาธิคือปัญญาสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นราฐานของการประพฤติธปฏิบัติเราควรคิดรู้ว่ า, าสิ่นี้ก็พระพุทธเจา้าตรัสสอนว่าทาเหมือนกันกติวาคนไม่มีสิล น, นั่นคือควสุขโง กายมันสุขภพใจมันก็สุขโปการพูดก็สุขภกทั้งสามอย่างกายวาจาใจสุขภพเนี่ยสินนั่นก็คืออาการสบู่หรือแฟบจะมาชำระเครื่องสุขภกนั่นออกจากผ้า น, นั้นหรือสิ่งสมาธิปัญญานี้ก็เป็นสบู่หรือแฟบที่จะมาฟอก กิเลสทั้งหลายในดวงใจของเราหือความผิดทั้งหลายให้หมดไปในเป็นสิ่งที่สะอาดเมื่อจิตมันสะอาดหรือเมื่อผ้ามันสะอาดแล้วจะรันบนาย้อมอะไรทุกอย่างเอาสีเหลืองมายอมสีแดงสีเขียวหรือทุกประเภทเลยถ้ามันสะอาดแล้วมันยอมแล้วมันก็ยิ่งก็เหมือนกันก็นที่ว่าเรา ถ้ายกความผิดออกจากจิตของเราแล้วจากกายจากวาจาของแล้วไอ้พวกผิดไม่มีทางกายทางวาจามันก็จิตใจมันก็สะอาดของที่สะอาดนั่นก็ควรแล้วควรเก่การยอกยอมธรรมะแล้วเหมือนกันกับผ้าควรแล้วย้อมสีเมื่อผ้ามันสะอาดแล้วถ้าผ้าไม่นสะอาดจะไปย้อมสีเข้าไปยิ่งรไร ถ้าสกปกติไม่ต้องทําให้สะอาดไปย่อมสีดิมันยิ่งทํำให้ร้ายกว่าเก่าเลยไม่สวยเลยอันนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆเปรียบอย่างนั้นใส่ธรรมะเรียกว่าสินอันนี้ก็คือปกกติกสีเรียนะโดยปกติกสีเรีะโดยปกติอาการปกติเป็นอย่างไร อาการปกติเป็นอย่างไรอาการที่ปกตินี่ก็คือไม่สวดเสยไปทางไหนเป็นปกติไม่หวั่นไหวท่างไหนเรียกว่าสีนะีน่ดูปกติขาวสะอาดรอบอยู่ไม่คร่ำไม่คราไม่อะไรอะไรนะ้นนั้นเี็ปกติกายวาจาของเราก็เหมือนกันฉ่านนั้นมีกายปกติมีวาจาเป็นปกติแล้วนะ มันก็ไม่มีโทษอะไรแต่นั่นเป็นปกติเมื่อความผิดที่มันมีทางกายทางวาจาเราไม่มีแล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างไรจิตใจมันก็สบายจิตใจมันก็สงบสงบเพราะไม่มีโทษสงบเพราะไม่มีเรื่องอะไรมากสมงบเพราะปราศจากความโรคความโกรธความร้องมันสงบอย่างนี้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 ทำไมทำไมพิจาราร่ากายของเราทำไมพระพุทธองค์ ส, สอนว่าคนทุกๆคนก็เหมือนคนทุกๆคนอย่างเราที่ฟังธรรมรวมในสถานีก็เหมือนกับคนที่อยู่ว่าที่ยังไม่มาบารรลุเหมือนกันเราดูเราคนเดียวเห็นแจ้งชัดว่ามันเป็นอย่างไรคนในจักรวาลนี้เราไปเห็นแล้วว่ามันเป็นเหมือนกันกับเรา มันก็มีดินมีน้ํามีไฟมีลมเหมือนกัเรานี้พระพุทธเจ้าจึงเห็นเน้นหนักให้พิจนาณาในร่างกายของเราให้ดีก็เพราะว่าเห็นร่างกายของเราส่วนเดียวจานั้นเนี่เห็นหมดไม่ต้องสงสายเนี่ยเื่อนกันทั้งนั้นสภาว่าสังขารเป็นอย่างนั้นเมื่อจิจสงบเช่นนี้แล้วเป็นสมาธิีเรียกว่าการภาวนา การภาวนานี่แหละยาติโยมยาทั้งหลายยุ่งเหยิงกันอยู่เรียกว่าทำกรรมฐานท่านกรรมฐานเป็นอย่างไรการภาวนาเป็นอย่างไรสมมถะเป็นอย่างไรมิปัจฉนาเป็นอย่างไรอะไรต่ออะไรเหล่านี้ตอนหัวข้ อ, ขอเย็นนี้ก็ได้ยินโยมไปสนใจน้องพ่อ ปฏิบัตินี่หายใจขอพุโทโธพุธโทโธบางองค์ไม่ต้องว่าพุโทโธหายใจเฉยเยนะบางองค์ก็บอกสัมมาสัมพุโทโธอีจฉันวุ่นเดือเกินไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะอันนี้แตมาเ อ, อ้ยังไม่ออกจากบ้าน น, ะนั่นะยังอยู่ในบ้านยังบนอยู่างนี้ไอความเป็นจริงนั่นการทํากรรมาฐานนี่นะ กรรมะแปลตามสัพท์ว่การงานกรรมการงานฐานะเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งการกระทําเรียกว่าการงานการงานในทางพุทธศาสนานี้แหละเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นชื่อเป็นชื่อของการกระทํามันเป็นหลักการนั้ น, นเรียกว่ากรรมฐานนี้ทํายังในกรรมฐานหลายอย่าง จะทําจิตให้สงบนี้เพราะว่าจิตของเรานี่ยนะส่วนทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดมีกายกับจิตเท่านี้เท่านี้ส่วนใหญ่มันจะออกไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะมันมีกายกับจิตเท่านี้ย่อมาเนี่ยธรรมะปฏิปู้ปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติกายกับจิตของเราเท่านี้ จิตของเรานี่เป็นผู้ที่รับท า, าละอะไรมากทุกอย่างนะมันไม่รู้การความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นปกตินะนจิตของเราเนี่ยมันหลงมันหลงสมมุติอันนี้นแล้วมันจะมองไปข้างนอกมันก็ตามรู้ไปเห็นอะไรก็ตามต่อมาจิตเนี่ยเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปกติอยู่นั่นแหละ เห็นว in in ่าไม่เป็นปกติแล้วเห็นว่าสกคลร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงเขาเข้าใจว่ามัเที่ยงแล้วสกคลร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเขาเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อมีตัวตนของเราแล้วของของเรานั้นก็มีเพิ่มก็ไมาเขาฟุวุ่นจูแตสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เด็ก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 แต่เราไม่รู้จักปกติเห็นมันผิดจากปกติไปไอ้ความเป็นจริงน่ะธรรมชาติทั้งหลายก็ถูกแล้วเราเข้าใจว่าเขาผิดความเป็นจริงเรานี่เองผิดไปหาว่าคนอ น, นั่นผิดของอื่นนั่นเป็นปกติหาว่าของอู่ไม่เป็นปกติไอ้ความเป็นจริงเราไม่เป็นปกติน่ะเองเขาเป็นปกติอย่างนี้ก็มันหลงอย่างนี้ก็คือจิตมันดลงนั่นะ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 แต่พูดถึงส่วนผิดที่เราสมมติกันคือผู้ที่รับรู้อารมณ์ผู้ที่รับรู้อารที่เขาลินทาเขาจะเสนอมานั้นใครเป็นคนที่รับรู้เขาสมมติคนคนนั้นเรียกว่าจิตเขาเรียกว่าอาการเช่นนั้นนั้นเรียกว่าจิตผู้ที่รับรู้อารณ เมื่ออารมณ์ที่ชอบใจแล้วเขาก็ดีใจเขาก็รู้ไปตามอารมณ์นะั้นเมื่ออารมณ์นั่นที่ไม่ชอบใจเขาเขาก็เสียใจไปตามอารมณ์นะั้นนี่เรียกว่าจิตไม่เป็นปกตินะสิ่งอื่นเป็นปกติอยู่อนความร้อนความเย็นเป็นปกติอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นจิตไม่รู้เรื่องสิ่งทงั้งหลายเรื่องจริงบุตรเกิดความวุ่นวายอยากให้สิ่งทงั้งหลายเรานั้นเป็นอย่างนี้ อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งต่างๆเรล่านั้นเป็นอย่างนี้อืมะมันก็เลยลำบากสิ่งที่เป็นปกติอยู่เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาครับเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรืยเป็นอย่างเกิดสังขานควมปรุงแต่อันนี้จะต้องทําอย่างนี้อันนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นวุ่นวายอยู่วุ่นวา ย, ยกับสิ่งที่ไม่วุ่วายนี่เรียกว่าจิตเป็นคนหลงผู้ที่รับผู้อารมณ์มั่นเป็นคนหลง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 อนนี้เราก็พอมองเห็นแล้วว่ามันคนได้อย่างแต่ความปีกจริงนั่นคนไม่ได้พิจรารณาเห็นอารมณ์กับจิตเป็นนันเดียวกันเลยก็ตามอารมณ์นาะเมื่อตามอารมณ์นั่นเป็นต้นก็ไม่รู้จิตของเจ้าของแยกจิตกับอารมณ์ออกกันไม่ได้นะเมื่อได้อารมณ์ไม่ดีมากระทบจิตก็วิ่งเข้าไปหาอุปทานก็เกิดทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าแยกออกไปอารมณ์ที่มันไม่ดี กับจิตที่รับรู้มันคนในอยากกันนะไอ้ผู้ที่รับรู้สาระห็นมันเอาวงมันใช่มันก็ไม่ทุกข์นะนะมันก็ไม่ทุกข์มันเป็นปกติอยู่เหมือนกันกับ้อนหิน ก, ก้อนหนึ่งที่วางอยู่ตรงหน้าเราเนี้ยมันจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณสักสิบสองกิโลนะวางอยู่ตรงหน้าเรานี้สมมุตินะทีนี้ไอ้ความหนักนะมันก็เป็นปกติของมัน มันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปยกมันมันผิดกปกติเลยทีเดียวแล้วต้องให้วนแม่หินก้อ น, นี่มันหนักเหเกินเนี่ยมันแปลโทษเขาใจอย่างนั้นอืมไอความเป็นจริงนั่นมันไม่เรือเกินกปกติเพรเขาเป็นอยู่อย่างนั้นถึงแม้มันมันหนักก็ไม่มีใครไปรับทุกข์ไม่มีใครไปรับแบกมันอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันขัาดนั้น เมื่ออารมณ์ที่มันผ่านมาผ่านมานั่นเมื่อเราไปไม่ไปรับแบกมันนะเมื่อเราปล่อยมันเมื่อเราวางมันเนี่ยอความหนักมันก็ไม่มีสมมุติว่าไอ้ความที่เราไปยึดสิ่งอาทั้งหลายเรานั่นไม่มีก็แค่คายกระบาเราที่ไม่ไปแบก ห, นกนนะหินก้อนนั้นถึงแม่หินก้อนนั้นมันจะมีน้ําหนักอยู่ตัวเราไมก็ไม่หนักเพราะเราไม่เคยไปแบกมัน อารมณ์นั้นมันจะชั่วหรือดีก็ตามทีมันเถอะมันก็ไม่มีอะไรมากถ้าหากาเรารู้วันแน่ๆมันปล่อยมันซะไม่ไปแบกมันไม่ไปยึดมันเลยมันก็ละลายไปในอากาศสิมันไม่ตามมาถึงเราฉะนั้นเรียกว่าการกระทําจิตเนี่ให้มีกําลังนั้นไม่ใช่คิดให้มันมากไม่ใช่บุญบายต่ออารมณ์ทั้งหลายเมื่อมาทําจิตเนี่ยจิตที่บุญบายนี่เ่าทําให้มันไม่บุญบาย ทำไงล่ะมาทํากรรมฐานกันทํากรรมฐานจะทำางไรเอาอะไรมาให้มันเล่นมันเด็กในบ้านเรานี่ยเด็กในบ้านเรามันซนจะทํำยังไงมันไม่หยุดมันไม่นิ่งจะทำยไงเอาลูกกลุ่มมาให้มันเล่นใช่มเนีมันก็เพลินแล้วลูกกลุ่มมันจะไหวนอมันก็ไม่ร้อง มันก็ไม่ไวุ่นวายเพราะอะไรเอาเครื่องเลียมาให้มันมันก็เพลินกระดุกสงนั่นเลยจิตมีกลมเหมือนกันเมื่อมันวุว่นวายวกแวกอยู่หาอารมณ์ให้มันเด่นเท่าอะไรบ้างพุทธานุสติบ้างธรรมานุสติบ้างสังขานุสติบ้างศีลานุสติบ้างจาคานุสติบ้างเอามานั้นุสติบ้ า, างแห็นพิจารณาความตาย จรงเรียกว่าบางท่านถนัดทำโมเป็นอารมณ์บางท่านกนัดสังโฆเป็นอารมณ์บางท่านถนัดพุทโธเป็นอารมณ์มันไม่ต้องครับเอาลมหายใจอย่างเดียวเสร็นะมันก็พอแล้วเลยวุ่นวายกันพอเราทำกรรมฐานในมุ่งปั้นไก่ตาแตกที่อบบบางคนไม่ไหวพุทโธไม่ได้บางคนต้องไหวหวาดพุทโธจิตต่อกันไม่ใช่เอาลมย่างเดียว อาจารย์ฉันบอกจังนั้นน่ะมันย้อมหนูวุนวายจะไปทำยังไงอาจามาเปรียบให้ฟังว่าไอจิตใจเรามันบอบแวกเหมือนเด็กในบ้านเรานี่ยมันร้องไห้นะเมื่อเด็กในบ้านมันร้องไห้จะทําไงมันจะหยุดให้มันหยุดร้องไห้เอาขนมมาให้มันมันก็ไม่หยุดร้องอืเอาอะไรมาให้มันมันก็ไม่หยุดร้องที่มันไม่หยุดร้องนั้นเดีว่ามันในจิตใจของเด็ก มันไม่พอใจของมันถ้าเป็นทำกรรมฐานได้กแบบทารรกรรมฐานนั้นไม่ถูกใจของเราจริตใจเราก็ไม่สนุกเนี่ยเมื่อเรียนไปกันข้า ง, างเอารูกโลงมาให้มันเล่นีใชมันก็หยุดร้องไห้นั่นเด็กกรรมฐานถูกใจมันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราจะอนาปานพิเป็นต้นเป็นอารมณ์เดียวหายใจเข้าหายใจออกกาหนดอยู่ที่โรงหายใจอืมไอพ้พุโทโธพุทโธนั่นให้เรารู้ รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรารู้เช่นนั้นมันก็เกิดเป็นพุโทโธเองของมันไม่จําเป็นจะว่าดนะหรือเราจะว่าดออกเสียงพุโทโธพุโทโธก็ได้เพื่อไปแยกเราคนรู้เรามาไว้ให้มันดนีถ้าหากว่าเรารู้จะพุโทโธนี่คือความรู้เป็นชื่อของตัวคนเรียพุโทโธคือความรู้เราจะหายใจเข้ามันก็รู้หายใจออกมันก็รู้นะ มันรู้มีสติสมัญญาควบคุมอยู่เสมอเลยเดีวว๋ยวรู้อันนั้นก็เป็นพุทโธแล้วนั่นเป็นพุทโธแล้วนี่เป็นอารมณ์แล้วหายใจเข้าออกทั้งวันเดลยการกําหนดทำกรรมฐานนี่มีหลายอย่างบางแห่งหยุบหนอแล้วพองหนอหยุบหนอพองหนอได้สะสมใจไม่ว่ามันจะเป็นยังไงยุบหนอพองหนอเนี่ยเราหายใจดูก็แล้วกัน หายใจเข้ามันยุบหรือมันคองหายใจออกมันยุบหรือมันคองท่านได้มีสติกำนดว่าเอาอันนั้นเป็นอารมณ์อันนั้นเรียกว่าอารมณ์หรืออาหารของจิตเรียกว่าเป็นสมัตให้จิตสงบเมื่อเมือนกับเด็กของเราน่ะมันได้ดูโกรงมันก็วางอย่างอื่นนะการเดินอย่างอืนมันก็วางไว้สงบมดอารมณ์อื่นมันก็เดินดุโกรงมันสบายนี่มันอยู่แล้วจิตสงบแล้ว สงกแค่นี้นะสงกแค่ว่าเด็กที่มันมีรูปโลงนะจิตใจมันก็พัวพันอยู่ในรูปโลงนั่นจิตมันก็สงบความสงบเช่นี้ไม่พอนะเด็กนั้นมันเห็นรูปโลงนั้นลอยอยู่บนอากาศเท่านั้นน่ะมันสบายใจมันมันไม่ได้คิดว่าไอ้ต่อไปรูปโลงมันจะแตกหรือไม่มันไม่ได้คิดเนี่ยมันไม่ได้คิด มันไม่ได้คิดนะมันกเห็นดุกโถงรอยตามอาษาคนสบายเท่านี้นี่เรียกว่าสมระมีความสงบแล้วนะที่นี่วิปัสนานั่นคือทำให้นมีปัญญายิ่งกว่านั้นให้มันรู้จักรูปโครงมันจะเป็นยังไงมันจะแรกไอ้รูปโครงต่อไปมันจะแตกไหมเนา ะ, ะ, ะอะไรต่ออะไรหลังเนี้ย จนในมันเห็นในใจของมันต่อไปมันเป็นของไม่เที่ยลลูกคงมันของแปกแน่นอนเลยผลที่สุดมันจะต้องแปกเนี่ยปัญญามันรู้ไปนู่นไอสมาธานี่ไม่มีปัญญาเห็นดูกระลอยบนดาบมันก็เล่นอยู่นั้นเนี่ยเมื่อลูกคงแตกพกมันร้องให้เด็กนั่นทําไมมันไม่ได้คิดมีปัญญาเลยว่าลูกคงมันจะแตกยังไงอันิจงจังทชครั้งอาจารา์มันไม่รู้ มันเห็นแต่เพียงว่ารูปโขงมันได้ใจของมันเนี่ยมันลอยมันสบายใจมีสมาทาความสงบความสงบของสมาทานนี้สมาธินี้ก็สงบแต่ว่ามันกิเลสมันมีอยู่แต่ว่าเวลานั้นมันไม่มีกิเลสในเวลานั้นในเดียวนั้นในจิตนั้นมันปราศจากกิเลสจิตมันจึงไม่วุ่นวายมันจึงสงบอยู่ เหมือนกันแล้วรูปโงในเวลานั้นมันยังมีลมอยู่มันก็ยังลอยอยังวนอากาศนั่นเองเหมัอนเมื่อไห้่เด็กมีใจอยู่ของปลอมๆฉะนั้นอันนี้เรียกว่าสมถานี่ก็เหมือนกันฉะนั้นแต่ในปุถทชนสมถะทาสมาธินี่วันนี้สงบบางทีคู่นี้ไม่สงบสงบสองวันไม่สงบสามวันสงบสามวันไม่สงบสองวันมันก็เป็นกลางวันอยู่อย่างนี้เป็นอีแต่นี้ ใน่การทาสมาธินี่บางคนก็อยากจะรู้ว่าไม่ให้มันเป็นอะไรเลยให้มันอยู่เฉยๆให้มันนิ่งให้มันเฉยมันจะเป็นยังไงไอ้ความเป็นจริงคิดนั้นมันจะเฉยก็มันไม่ได้มันต้องมีความรู้ว่าเฉยมันอยู่ในตัวของมันรอดู้ของมันอยู่เนี่ย มันสงบกัะมันอยากมันมีความรู้สึกเร้อารมณ์มาเม้มันชอบใจชอบใจขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่มไม่ชอบใจกต่ไปยึดอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้มันจะเกิดปัญญาพิจรารณาเหมือนเด็กเลี้ยฟูใหญ่เลี้ยดุกโงเห็นดุกโง่มา่อยต่อไปดุกโต่จะเป็นยังไงเออมันเป็นของไม่แน่นอนนะ เป็นอนิจจังถูกรั้งอนัจาเป็ของไม่เที่ยงไม่แน่นอนต่อไปจะจะต้องแตกอันนี้เป็นเป็นความเห็นของผู้ใหญ่เป็นความเห็นของผู้ที่มีปัญญานล้วมันโยนไปโน้นเลยมันเกาะแล้วไม่ไว้ใจในรูปโขงแล้วเห็นมารูปโขงจะแตกแน่นอนต่อไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่เห็นชัดเจนเข้าไปจนกว่ารูปโขงมันแตกงไปนะแตกตุกใจก็สบาย ทำไมมันถึงะบายเพราะวิปัจฉนามันเกิดแล้วเพราะมันเห็นารูปโคงแตกก่อนแตกเสียแรงมันแตกอย่างนี้มันแตกที่หลังแตกที่เราเห็นปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้นมาเลยชั้นนั้นอืมแต่เฉพาะว่าร่างกายของเรานี้ก่อมันแตกหรือหากว่าเราได้อันไดมานะวัตถุอันไดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วมีความรักมากได้ต้องพอใจแบบอันนี้ต่อไปต่อแตก ยกขึ้นไปหน่ถ้วยใบหนึ่หรือจานใบหนึ่งสวยๆเนี่ยแล้วได้มาเนี่ยดีๆเนะี่ยบางคนน่ะคนนึงก็ชอบใจนะชอบใจมากดีๆดีอกมีใจเนี่ยนี่เด็กเด็กคนเป็นนี้คนเไม่มีปัญญาจะนึกว่ามันดีนึกว่ามันไม่แตกผู้มีปัญญาแล้วก็เห็ น, เ ห, นเห็นแก้วใบนี้หรือเห็นจานใบนี้ขึ้นมาได้มาแล้วความดีใจเกิดขึ้นมาลูกขึ้นมาอื อันนี้มันก็จากแต่ว่านะอันนี้มันเป็นภาชนะยิงอีกวันหนึ่งมันก็ต้องจากจากเราไปมันจะต้องแตกจากเราไปมันไม่แตกเราต้องแตกจากมันไปคิดได้อย่างนี้นี่เดียกว่าจิตมันสูงแล้วะมันจะพยายามให้พวกทุกข์แล้วต่อไปนานๆไปเราใช้จานใบนั้นไปเลยมันแตกแตกแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเรา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 สังขารเป็นจริงอย่างไรก็ให้อู้ตามมันอย่างนั้นมันก็หมดปัญหากันท่านั้นนี่เรียกว่าการองรมจิตเรื่อจิตของเราด้วยสมถนี้สมถนี ي ม, มันยังเหมีผลมันมีความสุขหลงไหลแต่คนเราก็ชอบนะชอบอย่างเนี้ยแต่ไม่มีปัญญาอันนั้นเป็นสมถะที่เรียกมันเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธินะเรียกว่าสมาธิ เรื่องสมาธินี่เป็นของอยู่ซะหน่อยเป็นของลําบากซะหน่อยเพราะว่ามันมีหลายอุปกรณ์เรื่องจิตเป็นเหมือนเมื่อจิตสงบแล้วมันเกิดอะไรลหลายๆอย่างมาไอ้ผู้ผู้ที่เกิดนะผู้ที่ไม่เกิดก็สบายไปเลยไอ้ผู้ที่เกิดสงสัยอันนั้นสงสัยอันนี้เดียวมีรูกอันนั้นมาเดียวมีเสียนั่นมีมาตลอดเวลาเดียวรักเดียวกลัวเดียวรักเดียวโกดก็เลยทั้งหลายเหล่านี้ยออก็เพราะว่า ในที่นี้นะ่ยมันยุ่งสน่ยุยถึงเรื่องเรื่องสมาธินี่มันมีหลายเรื่องนี่มันมีหลายเรื่องมันไม่แน่นอนนะยถ้าปัญญาไม่เกิดเรื่อสมาธินี่มันยุ่งี่ฉะนั้นคนจะคนจะเป็นประสาทอะไรต่างๆบางคนปฏิบัติเป็นประสาเรื่องจิตเนี่ยบางคนเป็นบ้าไปเลยก็ได้เป็นบ้าไปเลยเสียสติไปเล ย, เลยก็ได้ฉะนั้นประชาชนเราจะไหนติงกลัว นั่งก็ตอนน่อยมีอาจารย์คงอย่างนั้นอย่างนี้ให้ความจริงไปถึงนั่นหรอกให้เราเข้าใจเสียว่าอาการอะไรเดมันเกิดรักเกิดครัวอะไรที่จิตของเรานั้นให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจมันไม่มีอะไรทําลายแล้วไรเท่านั้น่ะให้ดูจิตเราส่วนเดียวเท่านั้นนะอืมมันปล่อยมันไปเช่นนั้นเรื่องของเมฆเที่ยงวันนี้เห็นไหมเห็นของเมฆเที่ยงไหมวันนี้ชาวออญาติโยมทั้งหลาย ว่าจะกลับไปนอนวัดหนองประภนะอืะเมื่อมาถึงที่เนี่ยเลือกที่เียดไปเลืออยู่เอารถไปขนเอาของมาเนี่ยมีอนิจจังหรือเปล่ามันแน่นอนเมื่อไร่ล่ะอืบางคนก็เอาอะไรเก็บไปทะโน้นเลยจะกลับไปหรือจะลับมากลับไปไปนี่มันแน่หรือไงแน่ไหม นี่เดียวมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้นี่บางคนก่อจะทะเลาะกันสะได้นะถ้าไม่รู้จักนะฉันว่าแล้วเก็บของแล้วมาให้หมดดีกว่าน่อืมฉันพูดดีแล้วไม่ฟังเสียงนี่เดี๋ยวก็พูดอีกอีกก็พูดจะหยุดก็ดีแต่ถ้าพูดไปหยุดทะเลาะกันอีกแล้วฉันว่าแล้วว่าแล้วนี่คืออดีตจำโยม ทุกคนเป็นอย่างนี้ว่าจะเอาอย่างนั้นมันไปได้อย่างนั้นว่าจะเอาอย่างนี้มันไปได้อย่างนั้นอืมฉะนั้นจะไปทางไหนน่ะอาตมาจริงว่ามันไม่แน่อย่างรับนิมนต์เขาหลวพ่อไปไหมยังไม่รู้อ่าไม่รู้ทําไมครับซึ่งมันจะไปมันปวดท้องคืนจะไปได้อย่างไรหรอกก็มันไม่อยู่อย่างนี้นะอย่าไปไว่าใจอืการภาวนานี่ การทำกรรมฐานนี้เพื่อให้รู้อย่างนี้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อาตจจมาก็เทศไบบ่อยเรื่องอันิจึง่งทุกขังอันตรานี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของบีปัสนาพุทธานุสติ ธ, ธรรมานุสติสัมทานมิสติและหลายอย่า ง, งเป็นอารมณ์ของสมา อ, อารมณ์ของปอารมณ์ของสมาธิน่เพื่อให้จิตสงบ อารมณ์ของของมีปรัชนานี้เพื่อกห้เกิดปัญญาอย่างวันนี้เราพบมาแล้วอันจจัจำไหมละ่ะพบมาแล้วนี่เป็นอารมณ์โมยมจำไว้ต่อไปโยมย่าไปยืนยันมัน่าไปยืนยันมันแน่นอนอันนี้ฉันรับรองเลยจะไปรับรองเลยตัวของเราเองก็ยังรับรองตัวยัง ไ, ได้เลย ไอ้ที่รับรองนั่นเห็นแจ้งชัดน่ยเห็นตัวจริงนั่นก็เพือเห็นอนิจจังเมื่อมันเป็นอนิจจังทุกอย่างทุกอย่างนมันจะเที่ยงยุติตรงไหนเล่าอันนี้ก็อนิจจังใช่ไหมไปก็อนิจจังใช่ได้ไปก็อนิจจังใช่มันจะเที่ยงยีตตรงไหนขันเล่ามันก็เที่ยงยที่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นไปอย่างอื่มันคลิ้แคลงอย่างนี้มันไหลเกิดไปมาวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าอนิจจัง ของไม่เที่ยงคือมันเป็นของไม่เที่ยงอย ano, <Okay. S 1> ู่อย uh <me. S 1> ่างนี <sm ack> <sh> ้แหละมันจึงเที่ยงมันจะเป็นอยู่อย่างนี้มันอยู่ใต้อำนาจใครทรงนั้นเหีะมันอยู่อย่างนี้บางคนบอกอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่เที่ยงมันจะเที่ยงกี่ตรงไหนเลียมันก็เที่ยงกี่ตรงมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยงจี่มันเที่ยงกี่ตรงที่มันไม่เที่ยงนี่แหละอย่างนี้ฉะนั้นจะไปรับรองมันเลยอัตมาทิ้งบอกญาติโยม ตามป่าที่ไม่ได้ศึกษาสูงให้กรรมาทานบอกว่าฉันไม่รู้จากการภาวนาหรือไม่ได้เรียนอะไรมาเลยจะทำยังไงดีอาตรมาบอกสั้นๆมาไม่ยากโยมจะทำไห ม, มเรากราบพระทุกวันแล้วก็นอนไปนอนไปก็ดูโรง็ไปนึ ก, กว่วันนี้จะเป็นยงไงเนาะวันนี้เนาะ จะมีอายุถึงตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีลมมันออกไปไม่เข้ามาแล้วก็หมดแล้วลมเข้ามาไม่ออกไปมานก็หมดแล้วเท่านี้เมื่อตื่นนอนคือมาจะมีลมหายใจวันนี้นั่งดูนะเอาพวงมีต่อไปภาวนาอย่างนี้ทุวันทุวันนะเมื่อจะนอนลมหายใจของเรานี้เป็นอาหารนะเป็นอาหาร นั่นก็เป็นอารมณ์จิตดีที่สุดเรื่องอาณาพาลสตินี้เรื่องเรื่องตายมันนั้นสติประกอบตายนี้อาหารทุกอย่างมันสูโลมไม่ได้เราจะทานข้าวอยู่มันก็มันก็ทางลมอยู่เราจะนอนอยู่ก็มีโรงอยู่เราจะเดินไปก็ก็มีโรงอยู่อะไรที่ไม่มีโรงไม่ได้แล้วนอกจากตายเนี่เป็นอาหารที่สำคัญแต่เราไม่พิจรารณาไปเห็นธรรมะเรื่ววองโน้น แกงเป็ดแกงไก่มันมันอาหารอร่อยดีพิสุษอาหารคือเราไม่เห็นเลยก็งั้นการที่ประชาชนทั้งหลายที่ไม่ได้เคยพิจารณาสกุจจลร่างกายเนี่ยไปวัดปะโคเป็นโคมกระดูกอยู่ในนั้นอในกระจกนั่นกลัวแฮะบางคนนอนไม่ได้กลัวกลัวกระดูกเอ้กลัวกระดูกก็เป็นเส้เดือนเดิมคนไม่มีกระดูกก็เป็นเส้เดือนเดิม นอนก็นอนกระดูกแต่ไม่ห่มผ้าก็ห่มกระดูกนอนยด้วยกันไปเห็นกระดูกดุจตัวนี่แสดงว่าคนนั้นไม่ดูตัวของตัวเลยไม่เคยเห็นไม่พิดกระดูกในตัวเลยโผล่เป็นกระดูกข้างนอกตัวเลยนี่ถ้าภาษาพระพุทธเจ้าจะมากั้งกั้งคนถ้าเป็นปลาลหลก็เกินว่ากั้งปลาอันนี้แสดงว่าไม่ได้ดูตัวดูตนเราเลยว่า การูมันมีประโยชน์อย่างไรมันอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นเลยไปเห็นกระรูข้างนอกกับกลัวขึ้นมานี่แสดงว่าไม่ได้พิจารณาเนื้อตัวตนเลยทีเดียวนี่มันเป็นสัญญา้อะไรทั้งหลายก็เหมือนกนันฉันนานเกี่ยวปัญญามันทึกไม่มีนี่จะนั้นการทําเพียนการภาวนานี้เพื่อเอาตัวรอดคนเรามมีเหตุให้ทุกข์เกิดนืน้เกิดทุกข์หรือรับทุกข์ ภาวานานี่เพื่อจะไม่ให้มีทุกข์ให้รู้จักเหตุว่าอะไรมันจะพาเราเป็นทุกข์ให้รู้จักเหตุอ น, นั้นตามดป็จริงมันมเช่นอาจามาบอกว่าแก้วไว้นี้น่ะถ้ามันแตกมันเป็นทุกข์เราเรียนรู้มันซะว่าเห็นรู้จักเหตุมันมันจะแตกอยู่แล้วตอนเหตุมนแล้วจะไม่แตกไม่มีภาชนะนี้ให้เราเห็นมันชัดเฉยมีเหตุไเปเกิดทุกข์ ถ้าเราเห็นมันชัดเจนอนี้เรารู้เหตุของธรรมะเระทุกเกิดไปได้เราใช้แก้วใบนี้นานๆไปได้ดูมือแตกเพีย้ยนไม่มีอะไรแล้วพอเราตัดประแล้วรู้เหตุประแล้วทุกความเป็เกิดขึ้นมาการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันอย่างนั้นอืมฉะนั้นการเดินหรือการปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่ามรรศินสมาธิปัญญา นี่เป็นหลักที่สําคัญที่สุดเลยทีเดียวอฉะนั้นการประพฤตปฏิบัตินี้ก็ไม่มีอะไรมากมีกายกับจิตเดี๋ยวนี้เราก็เอากายจะมาเอาจิตจะมาขึ้นลดลงเรือกระห อ, อกันไปด้วยอะไนั้นเนี่ยไม่ได้หยุดมันอยู่กับเราถ้าเราพูดไปมากมายหลายอย่างหลายกสทานมากมายมากมายรวมแล้วก็อให้รู้จักนามธรรมรูปธรรมนามธรรม คือกายกับจิตที่เท่านั้นไม่มีอะไรนอกจากนี่ไปแนะกายนี่มันก็ไม่เที่ยงจิตนี่มันก็ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันเที่ยงอยู่ตรงที่มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนี้ที่นี่เราประมวปัญญาที่จะแก้ไขมันนอกจากว่าให้ดึงสังขารนี้ด้วยปัญญารู้เท่ามตจริงของสังขารนี้ว่าสังขารนี้มันเป็นอย่างไรก็รู้เท่าว่ามันเป็นอย่างนั้น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 คือสัจธรรมเนี่ยอันนี้เป็นต้นเราจะรู้จักภาษาได้หลายอย่างรู้จักภาษาธรรมานี่จะสอนตัวของเราก็ได้เมื่อสอนตัวคนเราได้ก็สอนคนอื่นก็ได้สอนคนอื่นเลยสอนสัตว์ทั้งหลายก็ได้ทุกอย่างอืมนี่เรียกว่าภาษาอันนี้พระพุทธเจ้าของเราว่าไม่จนภาษานี้ไม่ใช่แต่คําพูดนิรุติภาษานให้เป็นผู้แตกฉานในภาษานี้อืม ทุกสิ่งสารพัดมันเป็นภาษาอยู่ไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวอมืมันเป็นเช่นนั้นมิเช่นั้นพวกเราทําไมเรียนธรรมะเราเพื่อรู้จักภาษาของกายของจิตเท่นี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาแล้วเราจะเห็นความจริงกันทุกๆคนอันนี้เป็นข้อประพเปป็นข้อฏิบัติจะได้มารวบรวมฟังธรรมในวันนี้กเพราะว่ามาสร้างบา ร, รมีกันสร้างบา ร, รมีด้วยวัตถุเข้าของ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 ฉะนั้นอย่าไปลืมการปฏิบัติละความชั่วออกจากกายออกจากวาจากออกจากใจเราอันนี้เป็นลักษณะที่ปฏิบัติปฏิปฏิสัตย์ธรรมคือการปฏิบัติธรรมเป็นต้นปริยัตธรรมก็คือเราเรียนหรือการเราให้ทานนี่ก็เรียเ ป, เป็นเป็นทานอันหนึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่ยิ่งแต่ดีอยู่แต่ว่า ย, ยังไม่ยิ่ง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 เรื่องกรรมฐานมีพอสมควรมิฉะนั้นตอนน่อไปอาตมาก็จะให้ลูกศิษย์พระฟรังนะเอาจนหมดทุกคู่ระวันนี้ให้อธิบายถ้ามาให้ฟังพอสมควรเกื่การฝึกหัดดับจิตของเจ้าของนั้นสามารถที่จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษจะมาเรียนภาษาไทยเรา ลูกข้ออัดก็อทำในธรรมะอันนี้เป็นต้นก็นับว่าเป็นผู้ฟักใยพยายามที่อืให้เป็นธรรมะให้เขาพระอายของอยากโยมได้ต่อ น, นี้ไปก็อาตม า, ข, าขอขอยุติเตกการบรรยายธรรมะมาเพียงเท่านี้ขอคุณงามความดีอันนี้อืมวันนี้ที่อยากโยมทางไหน ในรับฟังวันนี้เป็นต้นจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นปฏิปฏิสัตธรรมปฏิบัติที่กายของเรานี้ปฏิบัติที่ใจของเราหีอีกสอประการนี้และให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงของสังขารตัดรามูลคือราคะโทสะโมหะนี้ก็เพราะปฏิปฏิสัตธรรมดังนั้นข อ, อยาดโงทางหายจง